เริพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสองธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาศึกษามาร่ำเรียนมาทำการบ้านและเตรียมเตรียมตัวที่จะเข้าห้องสอบเพราะการมาวัด น, นี้เป็นเหมือนกับมาโรงเรียนโรงเรียนของชีวิตโรงเรียนที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีกาจัดแก้ไขปัญหา เรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราอยู่เรื่อยๆโรงเรียนพระพุทธศาสนานี้จะสามารถสอนให้เรากำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้หมดแต่เราต้องตั้งใจที่จะศึกษาและตั้งใจที่จะทำการบ้าน เมื่อเราทำการบ้านได้เราก็จะพร้อมที่จะเข้าห้องสอบต่อไปห้องสอบของพวกเราคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสอบของพวกเราที่ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่ง เราจะต้องเจอข้อสอบเหล่านี้ถ้าเราได้มาร่ำเรียนและเราได้ทำการบ้านที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบอมหมายให้พวกเรานำไปกระทำพอเวลาเราเข้าห้องสอบเราก็จะสอบผ่านคือใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับข้อสอบต่างๆ ที่เราจะต้องทำกันเช่นความแก่ความเจ็บความตายการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายสูญเสียบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้จะเราจะผ่านไปได้อย่างสบาย ไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรามาศึกษาวิธีการาวิธีการพิจารณาวิธีการาาปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าความจริงแล้วสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเผชิญ นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำให้เราทุกข์เราเดือดร้อนได้เลยแต่เพราะความโง่ของเราเองเราไปเดือดร้อนเองเพราะความหลงเพราะความอยากคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองแต่พอ เจอกับการสูญเสียเราก็เลยรับไม่ได้เพราะเราไม่รู้มาล่วงหน้าก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องจากเราไปลามยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆเช่นปู่ย่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทิดาญาสนิทมิตรสหาย และร่างกายของเราในที่สุดก็จะต้องมีวันจบมีวันสิ้นสุดแต่ตัวเรานี้ไม่ได้จบไปกับสิ่งต่างๆตัวเราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะเราไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้จะไม่มีใครมาสั่งสอนความจริงอันนี้ว่าตัวเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย และตัวเรานี้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องมีสามีมีภรรยาไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีบุตรไม่ต้องมีทิดาไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าเรานี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร แต่เราไม่รู้เราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ต้องมีร่างกายเพราะพอมีร่างกายเราก็จะได้ใช้ร่างกายไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสไปหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติมาครอบครองมาให้ความสุขกับเรา แต่พอเขาไม่ให้ความสุขกับเราหรือพอเวลาเขาต้องจากเราไปเราก็ร้องหงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็โกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทกับบุคคลที่ทำให้เราต้องร้องหงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจและอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปทากรรมฆ่าเขา พอความเครียดแค้นที่เกิดจากการที่เขาจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนไปอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมาเข้าห้องเรียนของพระพุทธศาสนากันไม่เคยไปทำการบ้านกันพอเจอข้อสอบก็เลยสอบตกสอบตกก็คืออย่างไรก็คือร้องไห้ฟูมงไฟเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะฆ่าคนอื่นให้ตายอันนี้แสดงว่าสอบตกไม่ผ่านถ้าได้ยินได้ฟังได้ลิ่มได้เรียนแล้วได้ทำการบ้านเวลาเจอข้อสอบจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ mm hmm. เจออะไรก็เฉยได้เพราะเราได้ เตร th the ียมตัวเตรียมใจเอาไว้นั่นเองการทําการบ้านก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจในวันนี้เรามาเรียนก่อนเรียนให้รู้ว่าเรานี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องร้องผมร้องไห้ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆของร่างกายของเรา เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องมีบุคคลต่างๆไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้เราไม่รู้เราเลยหลงเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วเมื่อร่างกายต้องมีที่พึ่งมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้อย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่ม มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแล้วต่อจากนั้นก็ต้องมีแฟนมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดามีลาบยศสรรเสริญมีเงินมีทองล่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสอทอเป็นสอสอ เป็นนัดมนตีเป็นนายกเป็นอะไรร้อยแปดเป็นแล้วเวลาไม่ได้เป็นก็เสีย อ, อกเสียใจ ร, งงร้องห่มร้องไห้เพราะความโง่ไม่เคยคิดว่าได้อะไรมาก็ต้องเสียไปหมดเพราะว่าเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าเปล่าเวลาเราไปเราก็เอาตัวเปล่าเปล่าไป ไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปร่างกายก็ยกให้วัดยกให้สับเหล่อไปสามีภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปเวลาเราตายนี่สามีภรรยาจะไปมีอินูจะมีจะไปมีคู่รักคู่คองคนใหม่เราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราเอาเขาไปกับเราไม่ได้เราก็ต้องไปหาใหม่ข้างหน้า ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปหาแฟนใหม่หาสามีใหม่หาภรรยาใหม่หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใหม่หาได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวคอร่างกายแก่เจ็บตายไปก็ต้องทิ้งไปหมดทิ้งไปหมดก็ไปหาใหม่ไปเกิดใหม่เพราะว่าไม่รู้วิธีที่จะ หยุดการไปเกิดใหม่นี้เองเพราะไม่มีใครสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆร้องหม่มร้องไห้วุ่นวายไปกับการหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หามาได้แล้วเวลาเสียไปก็ร้องหม่มร้องไห้พอเวลาร่างกายจะแก่เจ็บตายก็ร้องหม่มร้องไห้วุ่นวายใจขึ้นไม่ได้นอนไม่หลับ นี่ถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่รักษาไม่ได้ขั้นสุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่วันเหลือไม่กี่เดือนจะทำอย่างไรถ้าทำใจไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าทำใจเป็นก็จะไม่ทุกข์ถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองมาสั่งมาใช้ร่างกายเราคือผู้คิด ผู้รู้ผู้มีความรู้สึกผ่านทางร่างกายรู้เวลาเวลาเห็นรูปก็รู้ว่าเห็นเวลาได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงร่างกายไม่ได้เป็นผู้รู้ร่างกายนี้ไม่รู้ว่าตนเองเห็นอะไรได้ยินอะไรผู้รู้คือใจเป็นผู้เห็นเวลาร่างกายไม่มีผู้รู้ผู้สั่งการ เอาเข็มไปทิ่มร่างกายร่างกายมันก็ไม่สะดุง้งผู้ที่สะดุ้งไม่ใช่ร่างกายผู้ที่สะดุ้งก็คือใจอย่าว่าแต่สะดุ้งเลยเพียงแต่หมอบอกว่าจะฉีดยาให้เท่านั้นก็สะดุ้งไปก่อนแล้วใจมันกลัวไปก่อนแล้วร่างกายมันไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรแม้แต่ฟืนแต่ไฟมันก็ไม่กลัวโยนมันเข้าไปในกองกองไฟมันก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่ไวยวาย ไม่กระโดดหนีมันก็นอนสบายอยากจะเผาก็เผาไปมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือเราเนี่แหละเราที่มาอาศัยร่างกายแล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เลยวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็เดือดร้อนวุ่นวายร่างกายขาดน้ำขาดอาหารหน่อย ก็วุ่นวายเดือดร้อนพอไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายนะเราต้องมาแยกร่างกายออกจากใจให้ได้แยกใจออกจากร่างกายใจก็คือเรานี่แหละเราที่รู้ที่คิดเนี่ยคือใจนะอันนี้แหละใจนี้แหละที่ไปเกิดใหม่ที่ไปได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายที่เราได้ปัจจบุบันนี้ก็เป็นร่างกายอันล่าสุดถ้าเป็นรถก็เป็นุถ รรุ่นล่าสุดเหมือนรถที่เขาผลิตออกมาทุกปีจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราตายจากชาติก่อนก็เหมือนกับรถรุ่นเก่าที่เราใช้มันพังไปแล้วพอพังไปแล้วเราก็ไปที่ร้านขายรถไปหารถรุ่นล่าสุดออกมาร่างกายของเราหนี้เป็นร่างกายที่ล่าสุด แต่ต่อไปมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายไปเราต้องแยกใจออกจากร่างกายให้ได้อย่าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายให้แยกใจออกจากร่างกายแล้วเราจะได้รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันวิธีจะแยกร่างกายออกจากใจทำอย่างไร ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติสติคืออะไรก็คือการเราเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถท่องพุทโธไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ เดี๋ยวใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันให้เราเห็นเวลาใจสงบนี้ร่างกายกับใจนี้อยู่คนละทิศอยู่คนละด้านร่างกายจะหายไปจะเหลือแต่ผู้รู้ผู้คิดอยู่ตามลาพังผู้เดียวเราก็จะได้รู้จักตัวของเราเองที่แท้จริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้พอเรารู้อย่างนี้ เวลาเราออกมาจากสมาธิมากับเข้าสู่ร่างกายมารวมอยู่กับร่างกายเราก็ต้องใช้ความคิดคอยเตือนคอยสอนเราว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกาย เลี้ยงดูมันไปตามอัตภาพเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลี้ยงไปอยู่ได้ก็อยู่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปยังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้รักษาดีอย่างไรต่อให้มันหายมันก็ต้องกลับมาเป็นใหม่ไม่มีวันที่ว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดไปได้ เพราะโรคร่างกายนี้เป็นบ้านอยู่ของโครคภัยไข้เจ็บนั่นเองเป็นที่อยู่ของโครคภัยไข้เจ็บเราไม่สามารถที่จะกําจัดโครคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากร่างกายได้นอกจากเอาไปเผาเท่านั้นถ้าอยากจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็เอาร่างกายไปเผาพอกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกแล้วมันจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอีกต่อไป นี่คือความจริงของร่างกายมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนพวกเราให้คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลไปเป็นธรรมดา ล่วงพ้นไปไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้เพราะเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้ไม่ต้องมีสามีมีภรรยาก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีสามีภรรยาไม่ใช่เลยเวลาเกิดมาใหม่ๆเอาสามีอภรรยาติดตัวมาด้วยหรือเปล่าเวลาเป็นเด็กก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่พอโตขึ้นมาหน่อย พอมีความสามารถจะไปมีภรรยามีสามีได้ก็อดไม่ได้อยากได้ขึ้นมาทันทีพอไม่ได้ก็ทุกเวลาไปจีบใครแล้วเขาไม่รักไม่ชอบเราก็เสียใจเวลาไปขอเขามาเป็นคู่เขาไม่รับก็เสียใจเพราะความอยากถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่เสียใจตอนที่ไม่มีความอยากตอนที่เป็นเด็กไม่เห็นเสียใจเลย อยู่คนเดียวทำไมอยู่ได้แต่พอมาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงต้องอยากมีสามีอยากมีแฟนอยากมีภรรยากันก็เพราะว่าคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขพอไม่ได้ก็ทุกพอมีแล้วเวลาเสียไปก็ทุกอีกสู้อยู่แบบเด็กๆไม่ดีกว่านะวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมากมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้ว มีของเล่นเล่นกับกระดาษเล่นกับก้อนหินเล่นกับของที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ดีกว่าดีกว่าเล่นกับของที่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อของต่างๆมามันก็เป็นเหมือนของเล่นทั้งนั้นแหละซื้อเสื้อผ้ามาก็เป็นเหมือนของเล่นเสื้อผ้าถ้าจะซื้อที่มันไม่ใช่เป็นของเล่นก็ซื้อเท่าที่จำเป็นซื้อมาไวส้สวมใส่ปกปิดอวัยวะปกปิดร่างกาย ถ้าซื้อมาเต็นตู้นี่เหมือนกับซื้อของเล่นซื้อมาอย่างนั้นแหละเห็นว่าเห็นว่าสวยก็อยากได้ก็ซื้อมาเห็นกระเป๋าสวยก็ซื้อมาเห็นรองเท้าสวยก็ซื้อมาเห็น <medium. S 2> อะไรต่างๆก็ซื้อมาก็เหมือนของเล่นนะแต่ต้องเสียเงินซื้อพอต้องเสียเงินก็เลยต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินตอนเป็นเด็กไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินพราะเล่นของที่ไม่ต้องใช้เงิน ทำไมเราไม่อยู่แบบเด็กๆกันสบายจะตายไปไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้วุ่นวายหาเท่าที่จำเป็นหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็เล่นของที่ไม่ต้องเสียเงินสิเล่นก้อนหินเล่นทรายเล่นอะไรเช่นใบไม้เห็นไ้ยเวลาเด็กๆมันเล่นเนี่ยมันเล่นได้ทุกอย่างใบไม้ก็เล่นได้ฝาเบียก็เล่นได้ของขวดขวดเปล่ามันก็เล่นได้ มันก็เหมือนกันเล่นแล้วมันก็มีความสุขสนานเหมือนกันแต่พอเป็นผู้ใหญ่ต้องเล่นของเสียเงินถึงจะมีความสุขต้องซื้อเสื้อผ้าต้องซื้อนาฬิกาต้องซื้อแหวนเพชรต้องซื้อต้มหูต้องซื้ออะไรต่างๆมันก็เป็นของเล่นทั้งนั้นเล่นแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็เหมือนเดิมใจก็ยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเดิม ทำไมเราไม่มาแก้ปัญหาของเราทำไมเราไม่มาศึกษาวิธีที่จะทําให้เราจะไม่ต้องทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกขกับการพลาดพลากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ถ้าเรามาเรียนมาทําการบ้านเราจะสามารถที่จะไม่วุ่นวายไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับข้อสอบของพวกเรา คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากลาบยศสรรเสริญความพัดภาคจากบุค ค, คลต่างๆวิธีก็คือเนี่ยให้มาพุทโธพุทโธกันทำใจให้สงบทำใจให้สงบพอใจสงบมันก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันแล้วพอออกจากสมาธิใจมันก็กลับมารวมอยู่กับร่างกายก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจ คอยเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ต้องพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วเขาไม่ไปเราก็ต้องไปเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปถ้าเรารู้ความจริงอันนี้พอเวลาทำข้อสอบเราก็จะไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วเราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรทำให้เรามีความสุขถ้าเราทำใจให้สงบได้เราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เวลาเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็จากไปอย่างไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้ท่านทำใจท่านสอนใจให้รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกัน ท่านนั่งสมาธิทำใจให้สงบท่านแยกแยกใจออกจากร่างกายได้พอถึงเวลาจะต้องแยกกันก็เลยแยกกันอย่างสบายไม่เดือดร้อนเวลาญาติโยมจะตายนี่ให้พุโทโธพุธโทโธไว้แล้วจะไปอย่างสบายอย่าไปอยากให้ไม่ตายอย่าไปอยากอยู่ถ้าถึงเวลามันตายต่อให้ให้มีพระอินทพระผมมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ ไม่มีใครยับยั้งความตายได้แต่พุทโธนี้จะยับยั้งความทุกข์ได้เวลาเราจากร่างกายนี้เรื่องเวลาจากใครไปก็พุทโธพุทโธไปเวลาใครจากเราไปเวลาแฟนทิ้งเราเราก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานเราก็ลืมเขาอย่าไปคิดถึงเขาถ้ายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เพราะอยากจะให้เขากลับมาเวลาเขาไปก็พุทโธพุทโธไปกวดน้าให้เขาไป แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเขาเวลาสูญเสียอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราสูญเสียคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่กลับมาแล้วแต่ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธเราจะยับยั้งความทุกข์ความเสียใจได้เราจะไม่ต้องมีอะไรถ้าเรามีพุโทโธเรามีความสุขกับพุโทโธ ดีกว่ามีความสุขกับบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปแต่พุทโธนี้ไม่มีวันจากเราไปพุทโธนี้เราสามารถเรียกร้องเรียกให้มาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเพียงแต่พุทโธพุทโธนี้เราก็ได้ได้พุทโธแล้วได้ความสุขแล้ว นี่คือการบ้านที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันมาพุทธโธพุทธโธกันแล้วก็มาเตือนใจมาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายจะต้องกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแต่ถ้าเรามีพุทธโธมีปัญญา เวลาเราจากกันจากร่างกายเราจะจากอย่างสบายเราจะจากด้วยพุโทโธพุธโทโธไปจึงขอให้พวกเราพยายามทำการบ้านกันพยายามนั่งสมาธิกันบ่อยๆแล้วก็พยายามเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าจำไม่ได้ก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมใหม่เพื่อที่จะได้เอาไปเตือนใจสอนใจเอาไปปฏิบัต แล้วไม่ช้าก็เร้วเราก็จะทำได้เราจะนั่งสมาธิได้เราจะแยกใจออกจากร่างกายได้และเราจะปล่อยวางร่างกายและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะจากอย่างสบายใจนี่คือโรงเรียนของชีวิตคือพระพุทธศาสนานี่เอง นานๆจะมีโรงเรียนอย่างนี้มาให้เราได้เริ่มเรียนกันสักครั้งหนึ่งดังนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือไปเพราะไม่เช่นนั้นเราจะตายอย่างทุกข์เราจะแก่อย่างทุกข์เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทุกข์ทรมานเราจะพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอย่างทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทํา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 โดยทั่วหน้ากันเทอร์